ปริเชษที่7มหาวิปัสนา18มหาวิปัสนาคือปัญญารู้เห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นต้น18อย่างคือหนึ่งผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่เที่ยงคืออนิจจานุปัสนาย่อมละความสําคัญว่าเที่ยงอนิจจ์สัญญา 2. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกขานุปัสนา ย่อมละความสำคัญว่าสุขสุขสัญญา 3. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตานุปัสนาย่อมละความสำคัญว่าเป็นตัวตนอัตสัญญา 4. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความเบือ่อหน่ายนิพิทานุปัสนาย่อมละความเพลิดเพลินนันทิห้า ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความคลายกำหนัดวิราคานุปัสสนาย่อมละความกำหนัดราคะ 6. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความดับนิโรธานุปัสสนาย่อมละความเกิดขึ้นสมุทยัย 7. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความสละทิ้งกิเลส ท, ที่สำคัญว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตน ปฏินิสักานุปัสสนาย่อมละความยึดถือกิเลสและสังขารอธาธนาแปดผู้เจริญปัญญารู้เห็นความสิ้นไปขยานุปัสสนาย่อมละความสำคัญว่าเป็นกลมคณะสัญญา9ก้าผู้เจริญปัญญารู้เห็นความเสื่อมไปของสังขารที่เป็นอดีตและอนาคต ที่มิได้ประจักษ์โดยตั้งไว้เสมอกันความเสื่อมไปของสังขารปัจจุบันที่เห็นประจักษ์วายานุปัสนาย่อมละความขนขวายเพื่อความอยู่ดีมีสุขอายุหนะน่ะ 10. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นความแปรไปวิปริณามานุปัสนาย่อมละความสาคัญว่าเที่ยงธุวสัญญา 11ผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่มีนิมิตรูปร่างอนิมิตานุปัสนาย่อมละนิมิตรูปร่างสิบสองผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าไม่น่าปรารถนาอปนิหิตานุปัสนายอมละความปรารถนาสุขปานิธิสิบสามผู้เจริญปัญญารู้เห็นว่าว่างเปล่า สุญญาตานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนอภินิเวศสิบสผู้เจริญปัญญาอันยิ่งที่รู้เห็นสภาวะธรรมว่าสังขารดับไปเพราะรู้เห็นความดับไปของสังขารที่เป็นอารมณ์และสภาพรู้อารมณ์อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาย่อมละความยึดมั่น โดยยึดถือว่าเป็นแก่นสารที่เที่ยงและเป็นตัวตนนิราธาพินิเวสสิบห้าผู้เจริญปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในรูปนามพร้อมด้วยปัจจัยยะถาภูตยานทัศนะย่อมละความยึดมั่นถือความหลงด้วยทิฏฐิและวิจิกิจชาอภินิเวสะ 16. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นโทษอาทีนวานุปัสนาย่อมละความยึดมั่นด้วยความผูกพันอาลยาพินิเวสะ17ผู้เจริญปัญญากำหนดรู้อีกเพื่อสละสังขารปฏิสังขานุปัสนาย่อมละความไม่กำหนดรู้อีกในสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน อปฏิสังขา 18. ผู้เจริญปัญญารู้เห็นที่ถอยกลับจากสังขารทั้งหมดสังขารุเปกขายานและอนุลมยานวิปัตานุปัสสนาย่อมละความยึดมั่นที่ประกอบในสังขารสังโยคาพินิเวสะ หนึอนิจจานุปัสสนาผู้ปรารบความเพียรที่กําหนดรู้รูปนามโดยลักษณะพิเศษตามสมควรย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงนี้ชื่อว่าอานิจจานุปัสสนาในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องมีข้อความสามประการคือหนึ่งอนิจจะสภาพไม่เที่ยง คือรูปนามขันห้าที่เกิดดับอยู่ทางทวารหกเพราะประกอบด้วยสภาวะเกิดขึ้นและดับไปหรือเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปทันที 2. อนิจจลักษณะลักษณะไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหรือความเกิดขึ้นแล้วดับไปทันที 3. อนิจจานุปัสสนาญาณรู้เห็นว่าไม่เที่ยง โดยเห็นประจักษ์ความไม่เที่ยงของรูปนามปัจจุบันมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีวิสุทธิ์ที่มักว่า 1. ขันห้าชื่อว่าสภาพไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นดับไปและแปรผันจากสภาพทั้งสองหรือเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไป 2. ความเกิดขึ้นดับไปและแปรผันหรือลักษณะแปรปรวนที่เรียกว่า ความเกิดขึ้นแล้วดับไปชื่อว่าลักษณะไม่เที่ยงหนึ่งคำว่าอนิจจตาความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นดับไปและแปรผันของขันห้าเหล่านั้น 2. ความหมายก็คือการไม่ตั้งอยู่โดยลักษณะนั้นเองของขันที่เกิดขึ้นแล้วพินาศไปโดยความดับไปชัว่วขณะ 3. ามคำว่าอนิจจานุปัสนา ญาณรู้เห็นว่าไม่เที่ยงคือการรู้เห็นในรูปเป็นต้นว่าไม่เที่ยงโดยเนื่องด้วยความไม่เที่ยงนั้นในความหมายของลักษณะไม่เที่ยงสองประการนั้นประการหลังคือความเกิดขึ้นแล้วดับไปปรากฏชัดในวิปัสสนาญาณระดับสูงตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปดังนั้นจึงเป็นลักษณะที่สำคัญประการแรก ผู้ที่รู้เห็นลักษณะดังกล่าวจึงชื่อว่าบรลุอนิจานุปัสนาญาณอย่างแก่กล้าดังคำพีมูลดิกากล่าวว่าคำว่าหุตตวาอภภาวัทเทนะเพราะเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วดับไปนี้กล่าวไว้โดยเฉพาะเพราะรวมลักษณะอื่นห้าอย่างไว้ในลักษณะแรกข้อนี้ความว่า ในคำภีสัมโมหะวิโนทนีได้กล่าวถึงลักษณะแรกว่าไม่เทียงเพราะเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วกล่าวว่าไม่เทียงเพราะเหตุสีประการอื่ น, านการกล่าวแยกออกจากกันโดยไม่กล่าวรวมเป็นลักษณะห้าอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมลักษณะสี่อย่างหลังไว้ในลักษณะแรกเพื่อย้ำความสำคัญของลักษณะแรกว่า ผู้จเจริญวิปั ส, สนาที่เห็นประจักษ์ว่ารูปนามเกิดดับและจะรู้เห็นลักษณะอีกสี่อย่างคือมีการเกิดขึ้นและดับไปแปลปรวนไม่คงที่ดำรงอยู่ชั่วขณะปฏิเสธความเที่ยงนอกจากนี้มีคำอธิบายในคำพีมหาดีกาของวิสุธทธิมารกว่าขณะทั้งสาม มีความเกิดขึ้นเป็นต้นแม้มีลักษณะไม่เทียงเพราะเป็นลักษณะของสังคตะธรรมแต่ลักษณะไม่เทียงย่อมไม่ปรากฏโดยประจักษ์ในเมื่อบุคคลรู้เห็นขณะเกิดขึ้นและขณะแปรปรวนเหมือนขณะดับไปดังนั้นจึงกล่าวว่าพังโคนามะอนิจตายะปรมากติที่สุดของความไม่เทียงชื่อว่าความดับ อันหนึ่งสภาวะที่ถูกปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยที่ประชุมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงชื่อว่าสังขารหรือสังคตะธรรมคือรูปนามหรือขันหานั่นเองสังคตะธรรมดังกล่าวประกอบได้สามคืออุปาธะขณะเกิดขึ้นทิติขณะตั้งอยู่และพังคะขณะดับไปที่เรียกว่าชาติ ความเกิดขึ้นชราความแปลปรวนและมรณะความแตกดับขนาดทั้งสามเหล่านั้นได้ชื่อว่าสังคตลักษณะคือลักษณะของสังคตธรรมและสังคตธรรมคือสภาพไม่เทียงนั่นเองสังคตลักษณะสามคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงได้ชื่ออนิจจลักษณะอีกด้วย อย่างไรก็ตามความไม่เที่ยงของสังคต ธ, ธรรมจะยังไม่ปรากฏโดยรู้เห็นความเกิดขึ้นและตั้งอยู่เท่านั้นเพราะบุคคลอาจอนุมานรู้ได้ว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ต้องมีความดับไปต่อเมื่อบุคคลได้รู้เห็นความดับไปแล้วจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนดังนั้น ความไม่เที่ยงจึงปรากฏชัดในขณะดับไปด้วยเหตุนี้ในคำพีวิสุทธิทมักจึงกล่าวว่าพังโคนามะอนิจจตายะปรมาโกติที่สุดของความไม่เที่ยงชื่อว่าความดับที่จริงแล้ววิปัสนาญาณเป็นการเห็นประจักษ์ทางโลกัศน์ภายในจนกระทั่งรู้เห็นความดับไปอย่างชัดเจนไม่ใช่บริกรรมหรือพิจารณาว่า สัพเพสังขาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นแม้สภาวะไม่เที่ยงคือรูปนามจะเป็นคนละอย่างกันลักษณะไม่เที่ยงแต่ถ้าบุคคลรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงโดยไม่ได้กำหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของรูปนามก็จะเป็นการรับรู้สมมุติบัญญัติไม่ใช่อนิจจานุปัสสนาญาณ ต่อเมื่อกําหนดรู้สภาวะที่แท้จริงของรูปนามจึงจะเป็นอจินจานุปัสนาญาณดังคัมภีอัถสาสรีกล่าวว่าหนึ่งถามว่าวุตถฐานนคามินีวิปัสสนามีอะไรเป็นอารมณ์เพราะมีข้อสงสัยว่าวุตถฐานนาคาไินีวิปัสสนานั้นมีสังขารเป็นอารมณ์ หรือมีลักษณะสามเป็นอารมณ์ถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์แล้วลักษณะสามก็เป็นอารมณ์ไม่ได้ถ้ามีลักษณะสามเป็นอารมณ์ก็ไม่ควรกล่าวว่าโคตรพูและมรคนี้พ้นไปจากอารมณ์ที่เป็นสังขารแต่ควรกล่าวว่าโคตรพูและมรคนี้พ้นไปจากอารมณ์ไตรลักษ์ตอบว่า วัตฐานาคามิหนีวิปัสสนามีไตรลักษ์เป็นอารมณ์ 2. ตามธรรมดาไตรลักษ์นั้นมีสภาพเป็นบัญญัติหาใช่เรียกว่าเป็นกรรมธรรมมหคตตธรรมโลกุตรัธรรมแต่ประการใดไม่ 3. บุคคลใดรู้เห็นไตรลักษ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนขันห้าย่อมปรากฏแก่เขา เมื่อสากสัตว์เน่าผูกห้อยที่คอยานที่มีสังขารทำเป็นอารมณ์ก็พ้นจากสังขาร 4. อุปมาว่าภิกษุรูปหนึ่งต้องการซื้อบาตรได้เห็นบาตรที่คนขายบาตรนำมาให้ชมรู้สึกชื่นชมพอใจคิดว่าจะซื้อบาตรนี้แล้วตรวจ ด, ดูจึงเห็นรูจึงเห็นรูทะลุสามรูท่าน มิใช่หมดความพอใจในรูทะลุแต่หมดความพอใจในบาทชั้นใดหผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้ไตร ล, ลักษ์แล้วย่อมหมดความพอใจในสังขารเขาพ้นไปจากสังขารด้วยยานที่มีสังขารเป็นอารมณ์บันดิตพึงทราบอย่างนี้ 6. แม่ข้ออุปมาผ้าที่มีรอยขาดสามแห่งก็มีนายเดียวกัน วุฒฐานาคามินีวิปัสนาคือสังขารรูเปเอกขายานเบื้องปลายและอนุโลมยานกำหนดรู้สังขารโดยสภาวะที่มีจริงของรูปนามเช่นความแข็งหรืออ่อนของาธาตุดินการกระทบสัมผัสของผัสสะการรู้อารมณ์ของจิตเป็นต้นแล้วรู้เห็นความดับไปของสังขารจรึงจะรู้เห็นไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อนั้นสังขารย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่าเหมือนซากเน่าที่น่ารังเกียจเหมือนซากงูซากสุนักเน่าผู้ห้อยคออยู่ย่อมก่อให้เกิดความรังเกียจเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สังขารอย่างนี้โคตรภูญานที่เกิดต่อจากอนุโลมยานที่รู้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมพ้นไปจากสังขาร คือแล่นไปหานิพพานที่ดับสังขารโดยไม่รับเอาสังขารเป็นอารมณ์การที่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นไตรลักษณ์และต้องการจะสละสังขารที่เนื่องด้วยไตรลักษณ์นั้นมีอุปมาว่าภิกษุรูปหนึ่งต้องซื้อบาตรและเห็นบาตรมีรูทะลุสามรูจึงเปลี่ยนใจภิกษุรูปนั้นอยากจะซื้อบาตรก่อนจะเห็นรูทะลุ เมื่อเห็นแล้วหาหมดความต้องการทั้งที่ความต้องการดังกล่าวเนื่องด้วยบาดไม่เกี่ยวกับรูทะลุเพราะไม่ต้องการรูทะลุตั้งแต่ต้นในกรณีเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมมีความผูกพันเยื่อใยในสังขารก่อนจะรู้เห็นไตร ล, ลักษณ์ไม่ใช่ผูกพันในไตร ล, ลักษณ์ดังนั้นจึงต้องการสละสังขารที่ประกอบด้วยไตร ล, ลักษณ์ ไม่ใช่ต้องการจัสละไตรลักษ์ด้วยเหตุนี้โคตรภูยาและมักคยานที่รู้เห็นความดับสังขารเป็นอารมณ์จึงพ้นไปจากสังขารไม่พ้นไปจากไตรลักษ์แต่อย่างเดียวที่เป็นบัญญัติดังคำพีมูลดีกาอธิบายว่าหนึ่งแม้ไตรลักษ์ก็เป็นอันบุคคลแทงตลอดได้ด้วยวิปัสนาญาณ ที่ดำเนินไปในสังขารโดยในว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเพราะได้กําหนดสังขารโดยลักษณะนั้นฉะนั้นจึงกล่าวว่าวุตถฐานาคามินีวิปัสนามีตรัยลักษ์เป็นอารมณ์พระอัตถกาจาร์จะแสดงว่าวิปัสนาที่มีสังขารเป็นอารมณ์นั่นแหละที่กล่าวว่ามีตรัยลักษ์เป็นอารมณ์ตามความประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วจึงกล่าวว่า ลักขณานามะตามธรรมดาไตรลักษณ์นั้นมีสภาพเป็นบัญญัติหาใช่เรียกว่ากรรมธรรมมหคตธรรมโลกุตตระธรรมแต่ประการใดไม่เป็นต้น 2. โดยแท้จริงแล้วลักษณะที่บุคคลรู้เห็นโดยเฉพาะมีได้กําหนดรู้สังขารว่าเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน เป็นบัญญัติที่ไม่มีจริงโดยปรมัตาจึงเป็นธรรมที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกรรมธรรมเป็นต้นเพราะไม่มีจริงนั่นเองสามผู้ที่กำหนดรู้สังขารโดยสภาวะที่มีจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมได้ชื่อว่ารู้เห็นไตร ล, ลักษ์เพราะไม่มีไตร ล, ลักษ์ที่ควรถือเอาโดยเฉพาะ ซึ่งมิได้กำหนดรู้สังขารโดยประมาจิฉะนั้นจึงกล่าวว่าโยปะณะอนิจจังทุกขงังอนัตตาติตีนิลักคณานิสัลลัคเคติบุคคลใดรู้เห็นไตรลักษ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 4. โดยที่สังขารปรากฏอยู่โดยลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นดังนั้น สังขารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรสละไปเหมือนซากสัตว์เน่าผูกห้อยอยู่ที่คอสรุปความว่าผู้ปรารบความเพียรที่กําหนดรู้สภาวะที่มีจริงของรูปนามในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นความไม่เที่ยงปัญญาที่รู้เห็นความไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาปัญญาดังกล่าวนี้ยังไม่ปรากฏในระดับปัญญาดังกล่าวนี้ยังไม่ปรากฏในระดับ ญาติปริญญาคือปัญญารู้ชัดด้วยการกําหนดรู้อันเป็นนามรูปปริเฉทญาณและปัจจยะปริฆหญาณเพราะญาณทั้งสองรู้เห็นลักษณะพิเศษสภาวะลักษณะของรูปนามต่อมาบรรลุสมัสนญาณเป็นต้นแล้วรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุก์ ไม่ใช่ตัวตนจึงได้ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาไม่ชื่อว่าทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นว่าเป็นทุกข์ชื่อว่าทุกขานุปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตน ช, ชื่อว่าอนัตตานุปัสสนาดังคัมภีร์ วิพังขมูลดิกากล่าวว่าหนึ่งการแสดงความต่างกันระหว่างอนิจจลักษณะเป็นต้นกับขันธ์ที่ไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมมีได้เพราะมีการรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นอันพิเศษไปจากผู้รู้เห็นเป็นต้นที่ดำเนินไปโดยลักษณะแปลปรวนเป็นต้น 2. โดยแท้จริงแล้วความสำเร็จของหน้าที่คืออนิจจานุปัสนา ทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาย่อมไม่มีด้วยการกําหนดรู้รูปนามอย่างเดียวแต่พึงรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงของรูปเป็นต้น 3. นอกจากนั้นผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เทีย่ยงย่อมรู้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการไม่รู้เห็นอ น, นิจจลักษณะเป็นต้นอื่นในขณะรู้เห็นทุกขลักษณะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้ ข้อความข้างต้นหมายความว่าปัญญาที่รู้เห็นสภาวะที่มีจริงของรูปนามขันห้าเป็นคนละอย่างกับยานที่รู้เห็นไตร ล, ลักษณ์ของขันห้าเหล่านั้นดังนั้นพระอัตกตาจารย์จึงแยกไตร ล, ลักษณ์ออกเป็นขันที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าท่านไม่แยกสภาพทั้งสองออกจากกันแล้วการรู้เห็นรูปนามก็จะเป็นการรู้เห็นไตร ล, ลักษณ์ ไปพร้อมกันแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นจึงมีการรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นต้นด้วยสัมมาสนญาณเป็นต้นอันจัดเป็นตีระปริญญาการรู้ชัดด้วยการพิจารณาสามั ญ, ญลักษณะดังคำพีอนุดีกาอธิบายว่าบัดนี้พระดีกาจารกล่าวว่านหิโดยแท้จริงแล้ว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 เพื่อแสดงความต่างกันนั้นให้ปรากฏชัดโดยความเป็นวิสัยของยาตะปริญญาและตีระณะปริญญาหมายความว่าขันห้าที่ได้ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นวิสัยของยาตะปริญญาคือกาหนดรู้ด้วยยาตะปริญญาส่วนไตรลักษ์เป็นวิสัยของตีรณะปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยตีระณะปริญญา เวลาปรากฏแห่งอนิจจานุปัสสนาผู้ปฏิบัติธรรมที่กําหนดรู้รูปนามปัจจุบันตามสภาวะที่เป็นจริงย่อมเกิดปัญญาอันหมดจดทําลายสันตติบัญญัติคือการเกิดขึ้นสืบต่อไม่ขาดสายแห่งอารมณ์เหมือนเป็นกลุ่มก้อนกล่าวคือผู้ที่ไม่ได้กําหนดรู้รูปนามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะย่อมไม่อาจรู้เห็นสภาวะที่มีจริง ของรูปนามได้อีกทั้งไม่อาจรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามได้อย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่ไม่เห็นประจักษ์ความเกิดดับของรูปนามจึงเข้าใจผิดว่ารูปที่เห็นมาก่อนเป็นอย่างเดียวกับรูปที่เห็นในภายหลังการเห็นที่เกิดขึ้นก่อนก็เป็นอย่างเดียวกันกับการเห็นที่เกิดในภายหลังดังนี้เป็นต้นกระแสรูปนามที่ต่อเนื่องไม่ขาดสาย จนทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันคือสันตติบัญญัตนินี้เป็นเครื่องปิดบังอนิจจลักษณะคือความเกิดขึ้นแล้วดับไปจึงทำให้อนิจจลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏแก่คนทั่วไปที่ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามแต่ผู้ที่กำหนดรู้รูปนามจนสามารถรู้เห็นความเกิดขึ้นอันเป็นเบื้องต้นและความดับไป อันเป็นที่สุดของรูปนามได้แล้วย่อมเข้าใจว่าสภาวะเกิดขึ้นของรูปนามหนึ่งรูปนามหนึ่งเป็นคนละอย่างกับสภาวะดับไปรูปที่เกิดขึ้นก่อนเป็นคนละอย่างกับรูปที่เกิดขึ้นในภายหลังนามที่เกิดขึ้นก่อนก็เป็นคนละอย่างกับนามที่เกิดขึ้นในภายหลังรูปและนามทั้งสองนั้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นส่วนส่วน มิได้ตั้งอยู่ยั่งยืนบุคคลนั้นสามารถทำลายสันตติบัญญัติดังกล่าวด้วยการรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามลำดับนั้นอนิจจลักษณะของรูปนามย่อมปรากฏเพราะสันตติบัญญัติไม่สามารถปิดบังได้โดยประการดังนี้อนิจจานุปัสสญาย่อมปรากฏตั้งแต่เวลาเห็นอนิจจลักษณะที่เกิดขึ้นเอง เมื่อทำลายสัน ต, ติบัญญัติได้แล้วเมื่ออันนี้จะลักษณะปรากฏชัดเจนแล้วผู้ปฏิบัติธรรมอาจกำหนดตามสภาวะนั้นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแต่การกำหนดโดยบริกรรมในใจไม่ใช่หลักสำคัญจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ได้ ความเข้าใจที่เห็นประจักษ์ลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นหลักสำคัญเพราะอนิจจานุปัสนาเป็นต้นย่อมมีได้ด้วยการรู้เห็นไตร ล, ลักษ์อย่างแท้จริงนอกจากนั้นถ้าตั้งใจบริกรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนในขณะที่ไตร ล, ลักษ์มิใช่ปรากฏจริงก็จะเป็นเพียงความจาได้หมายรู้คือสัญญาเท่านั้นไม่ใช่ ปัญญาเห็นประจักษ์อย่างแท้จริงดังที่กล่าวไว้แล้วในปริเชตที่หในคำพีวิสุทธิมรักและมหาดีกากล่าวถึงเรื่องอนิจจลักษณะว่า 1. อนิจจลักษณะที่พระองค์แสดงไว้เป็นลำดับแรกย่อมไม่ปรากฏเพราะสันตติปิดบังไว้เนื่องจากไม่ได้รู้เห็นความเกิดดับ 2. เมื่อรู้เห็นความเกิดดับแล้วทำลายสันตติบัญญัติอ น, นิจจรักษณะก็ปรากฏตามสภาพของตนอย่างแท้จริงหนึ่งอ น, นิจจรักษณะย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้ที่ไม่ได้กำหนดรู้อยู่นั้นเพราะถูกสันตติปิดบังไว้อัห น, นึง่งสันตตินั้นเป็นสภาพปิดบังได้ด้วยการไม่รู้เห็นความเกิดดับ 2. เมื่อบุคคลรู้เห็นความเกิดดับอยู่ขณะเกิด ย่อมไม่ถึงขณะดับหรือขณะดับไม่ถึงขณะเกิดขณะเกิดปรากฏเป็นอย่างหนึ่งขณะดับปรากฏเป็นอย่างหนึ่งไม่ปะปนกันแม้สภาวธรรมอย่างหนึ่งก็ปรากฏเป็นคนละอย่างในขณะเกิดและในขณะดับดังกล่าวมานี้รูปนามที่เป็นอดีตเป็นต้นไม่มีข้อน่าสงสัยเลยฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่า อุทพยังปณะออปัาติแต่เมื่อรู้เห็นความเกิดดับแล้วทำลายสันตติบัญญัติอันนี้จะลักษณะก็ปรากฏตามสภาพของตนอย่างแท้จริง 3. ในเรื่องนั้นคำว่าสันตติวิโกปิตายะทำลายสันตติบัญญัติหมายความว่าทำลายความสืบต่อไม่ขาดสายด้วยการกำหนดรู้ความเป็นคนละอย่างของสภาวะธรรม ที่ดำเนินไปก่อนและหลังโดยแท้จริงแล้วเมื่อบุคคลกำหนดรู้ความเกิดดับอย่างถูกต้องสภาวธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏโดยความสืบต่อแต่ปรากฏโดยความขาดช่วงไม่สืบต่อเมื่อเส้นเหล็กมัดหนึ่งที่เรียงไว้ทีละเส้นปรากฏโดยความไม่ปะปนกันตามคำอธิบายในคำพีอัตถกถาและดีกาดังกล่าว ผู้ที่กำหนดรู้รูปนามตามที่ปรากฏย่อมรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามทีละอย่างว่ารูปนามที่เกิดขึ้นก่อนเป็นคนละอย่างกับรูปนามที่เกิดขึ้นต่อมาไม่ใช่เป็นสภาวะอย่างเดียวกันการรู้เห็นความเกิดดับนี้ชื่อว่าทำลายสันตติบัญญัติที่ตนสำคัญว่าเป็นสิ่งเดียวกันที่สืบต่อไม่ขาดสาย ผู้ที่ทำลายสัน ต, ติบัญญัติได้ย่อมรู้เห็นอนิจจลักษณะของรูปนามที่เป็นสภาพเกิดขึ้นแปลปรวนและดับไปหรือเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วดับไปในขณะนั้นปัญญาที่เห็นประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นโดยมีชื่อว่าอนิจจานุปัสนาย่อมทำลายอนิจจสัญญาคือความสำคัญว่ารูปนามเที่ยง อีกทั้งทำลายวัตทุกอันได้แก่กิเลสกรรมและวิบากรันที่จะเกิดต่อไปโดยเนื่องด้วยสัญญาดังกล่าวดังคำภีปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าผู้ที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงย่อมขจัดความสำคัญว่าเที่ยงข้อความว่าย่อมขจัดความสำคัญว่าเที่ยงเป็นสำนวนทางภาษาที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นหลักสาคัญ ดังคำว่าราชาอาคัตติพระราชาเสด็จมาที่กล่าวรวมไปถึงค้าราชบริพารของพระองค์อีกด้วยดังนั้นจึงหมายถึงอกุศลทุกอย่างที่เกิดตามสัญญาเช่นความเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิวิปลาาความคิดผิดที่เรียกว่าจิตตวิปลาาเป็นต้น ดังคำพีมหดีกาของวิสุธทธิมักอธิบายว่าหนึ่งคำว่าอนิจจสัญญาความสำคัญว่าเที่ยงคือความยึดมั่นว่าเที่ยงคำนี้แสดงไว้โดยมุ่งกล่าวถึงสัญญาเป็นหลัก 2. แม้คำว่าสุขสัญญาความสำคัญว่าเป็นสุขอัตสัญญาความสำคัญว่าเป็นตัวตนก็มีในเดียวกันนี่แหละ คนคำว่านิจจสัญญายะความสาคัญว่าเที่ยงหมายความว่าความสาคัญผิดที่เป็นไปอย่างนี้ว่าสังคต ธ, ธรรมเที่ยงยั่งยืน 2. องพึงทราบการถือเอาทิฏฐิและจิตด้วยการถือเอาสัญญาอีกด้วยสามแม่อนุปัสนาอื่นจากนี้ทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปปัสนาก็มีในเดียวกัน ข้อความนี้หมายความว่าความสำคัญว่าเที่ยงที่ละได้ด้วยอนิจจานุปัสสนานั้นเป็นมิจฉาสัญญาที่สาคัญผิดว่าสังขารอันเป็นการเห็นได้ยินเป็นของเที่ยงดำรงอยู่เสมอไม่แปรปลวนเมื่อสัญญาวิปลาดดังกล่าวถูกละได้ก็เป็นอันลทัทธิทิฏวิปลาดและจิตตวิปลาดได้ การที่ทุกขานุปัสนาละสุขสัญญาและอนัตตานุปัสนาละอัตตสัญญาก็เช่นเดียวกันการละกิเลสด้วยวิปัสนาญาณและมัรคญาณการละกิเลสด้วยวิปัสนาญาณและมัรคญาณถามว่า อนิจจสัญญาเป็นต้นที่ถูกละด้วยอนิจจานุปัสสนานั้นเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันตอบว่ากิเลสที่เป็นอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปจึงถูกละไม่ได้กิเลสที่เป็นอนาคตยังไม่ปรากฏในขณะเจริญวิปัสสนาแต่จะเกิดขึ้นแน่นอนแก่ผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาจึงถูกละไม่ได้นอกจากนั้น ในปัจจุบันขณะที่บุคคลรู้เห็นว่าไม่เที่ยงก็เกิดกุศลวิปัสนาอย่างเดียวไม่มีกิเลส ท, ที่ควรละในขณะนั้นจึงละกิเลสปัจจุบันไม่ได้ความจริงแล้วกิเลส ท, ที่ถูกละนั้นเป็นสิ่งที่จะปรากฏเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลโดยเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่รู้เห็นถึงความไม่เที่ยงของรูปนามที่ปรากฏทางทวารหก อนุสัยที่นอนเนื่องกิเลสที่พลั่งพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเหมาะสมไม่ใช่อดีตเพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่อนาคตเพราะยังไม่แน่นอนว่าเกิดขึ้นและไม่ใช่ปัจจุบันเพราะไม่ใช่กําลังเกิดขึ้นจัดเป็นอนุสัยคือกิเลสนอนเนื่องซึ่งพ้นไปจากการทั้งสาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่ง สันตนานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในกระแสจิตเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลแก่ปุตุชนและพระเศกขะเพราะยังละกิเลสด้วยมักไม่ได้ 2. องอ ร, รมนานุสัยกิเลส ท, ที่นอนเนื่องในอารมณ์ที่ไม่ได้กําหนดรู้ด้วยวิปัสสนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแก่ปุตุชนและพระเศคคิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนในบางแห่งเรียกว่าอา ร, รัมมนาทิคหิตตุปปณะกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะยึดมั่นอารมณ์